ทุกท่านแน่ใจไหมครับว่าท่านจะสามารถไต่เชือกไหวความจริงมันก็ไม่ได้ไต่เป็นเส้นตรงดิ่งขึ้นไปหรอกแต่จะใช้วิธีโหนขึ้นไปตามลำดับของแก่งแง่ใช้เท้าเหยียบยันกระแห่หินขึ้นซึ่งเป็นการผ่อนแรงเหนี่ยวขึ้นไปในตัวด้วยพระพินแกล้งอย่างหางเสียงและแน่ละเมื่อถามเช่นนี้ทุกคนก็ต้องบอกว่าไหวทั้งสิ้นจมพรานซ่อนยิ้ม เขารู้ว่าไขาข้อและกำลังแขนขาของฝ่ายนายจ้างตอนนี้อ่อนล้าลงเต็มทีแล้วไม่ใครก็ใครสักคนนึงอาจจะพลาดลงมาได้แต่มันหมดสมัยที่จะต้องมาลองของหรือทดสอบกันแล้วเพราะถ้าพลาดก็หมายถึงว่าเขาฆ่าคนเหล่านั้นนั่นเองเอางี้ดีกว่านะครับเอาเป็นว่าเลือกวิธีที่ปลอดภัยไว้ก่อนทุกคนก่อนจะปีนขึ้นใช้เชือกมัดเอวไว้ให้แน่น แล้แทนที่จะใช้วิธีโหนไต่ขึ้นไปด้วยกําลังแขนขาของตนเองผมจะคอยสั่งให้พวกข้างบนนะช่วยฉุดชักขึ้นไปหน้าที่ของแต่ละคนก็จะมีเพียงแค่ใช้เท้ายันกับผนังหน้าผาไว้อย่าให้ร่างกายครูดกระทบกระหินโดยจะให้ชักรอกขึ้นไปทีละช่วงวิธีนี้ก็จะไม่ต้องออกแรงอะไรมากนักเพียงแค่พยุงตัวเองระหว่างถูกกว้านขึ้นเท่านั้นเขากล่าวต่อไป เมื่อเห็นพวกนั้นไม่มีปัญญาที่จะหาทางออกที่ฉลาดอื่นใดนอกจากคอยรับฟังเขาอย่างเดียวคุณมีวิธีที่สะดวกและสบายสำหรับพวกเราถ้าคุณเจตนาที่จะหวังดีด้วยเบนต่อว่าสีหน้าเริ่มดีขึ้นเพราะหล่อนกำลังวิตกว่าจะตต่ไหวไหมคุณนั่ะแหละเป็นคนแรกเบร์ผูกเอวตัวเองได้แล้วระพินสั่งทันที ระหว่างที่เชิดวุตรและคีเช่อกันผูกเอลเบลไว้พรานใหญ่ก็วิทยุบอกความขึ้นไปให้บุญคำและพวกข้างบนทราบว่าจะต้องทำยังไงบ้างระวังให้ดีนะบุญคำไม่จะบอกพวกนั้นให้สาวลากปรูดๆดขึ้นไปม่ปเดี๋ยวก็กระแทกแง่หินปนปี่ไปเท่านั้นขอ้ฟังคำสั่งจากฉันนะถ้าบอกให้ดึงก็ให้ดึงทีละช่วงแล้วก็หยุดก่อนขอยฟังเสียงสั่งไว้ทุกระยะ ถ้ายังไม่บอกให้ดึงก็อย่าเพิ่งสาวขึ้นล่ะเข้าใจไหมโอเครู้เรื่องแล้วล่ะนายกำลังรอฟังคำสั่งอยู่แมนเบนจะขึ้นไปเป็นคนแรกนะบุญคำเขาบอกให้บุญคำรับรู้ก่อนแล้วหันมาสำรวจดูการผูกเชือกพอเสร็จเรียบร้อยและหล่อนชูมือเป็นสัญญาณว่าพร้อมระพินก็วิทยุขึ้นไปทันทีอ่ะเตรียมตัวนะ บุญคำทางนี้พร้อมแล้วกะดึงช่วงละประมาณหนึ่งวาไม่ต้องมากกว่านั้นนะเอาละดึงโดยปลายเชือกที่มัดเอวเบลและมือสวมถุงหนังทั้งสองที่จับสายเชือกไว้ร่างของเบลลอยคว้างขึ้นจากพื้นทันทีอย่าง ช, ช้าๆสูงจากระดับพื้นราวหนึ่งเมตรเศษแล้วก็หยุด ระพินซึ่งทำหน้าที่อำนวยการสั่งต่อไปให้ดึงอีกคราวนี้ร่างของเบลเริ่มจะลอยขึ้นไปใกล้แง่หินชะ ง, ง่อนแรกที่ค้ำอยู่เหนือศีรษะช่วงนี้ไม่อาจให้พวกข้างบนสาวเชือกดึงขึ้นไปได้เพราะถ้าขืนดึงในสภาพนี้ศีรษะของหล่อนจะกระแทกตาแง่หินทันทีระพินร้องสั่งให้เบลช่วยตัวเองดยการออกแรงไต่เชือกในช่วงสั้นๆ นำร่างกายให้เบี่ยงพ้นแง่หินสก่อนแล้วจึงสั่งให้พวกข้างบนฉุดต่อซึ่งเท้าทั้งสองของแม่ผมแดงบัดนี้สามารถยันกับผนังหินอันลาดชันนั้นได้แล้วอาการประคองตัวขึ้นไปในลักษณะของเบลโดยมีเขาเป็นผู้อำนวยการอยู่เท่ากับเป็นตัวอย่างให้คนถัดๆไปรู้และเข้าใจได้ว่าช่วงไหนจะต้องช่วยตัวเองโดยการหลีกหลบนาตนให้เลี่ยงพ้นจากแง่หิน ที่จะถูกสาวขึ้นไปกระทบกระแทกอย่างไรบ้างแล้วอิสเบลงก็ผ่านพ้นชะ ง, ง่อนอันสูงชันเป็นรูปโค้งต่อ น, นั้นรับหายขึ้นไปสู่เบื้องบนได้โดยสวัสดิภาพสายเชือกเส้นนั้นถูกโยนกลับลงมาตามเดิมคนที่สองคือคริสติน่าซึ่งรู้หลักอยู่ก่อนแล้วทำให้สามารถผ่านขึ้นไปได้รวดเร็วมากกว่าเบลถัดมาเป็นคีสเตลี ซึ่งเกี่ยงกันกับเชิดบุตรโดยต้องการจะเป็นคนหลังสุดรองจากรพินแต่แล้วในที่สุดเชิดบุตรก็ยอมขึ้นก่อนจนกระทั่งมาสิ้นสุดที่อเมริกันอาวุโสเป็นคนรองสุดท้ายเอาละเดี๋ยวนี้เราทุกคนขึ้นมาอยู่บนสวรรค์ของบุญคำแล้วเสียงจากวิทยุของด็อร์สเตลลีดังลงมาเรากำลังคอยคุณอยู่คนเดียวเท่านั้นนะระพิน ผมจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละครับบอกบุญคําและทุกคนนะไม่ต้องดึงผมจะไต่ขึ้นไปเองครับเขาวิทยุบอกขึ้นไปแล้วเหน็บวิทยุไว้กับเอวคว้าสายเชือกได้ก็โหนตัวใช้กําลังไตเ่เดียดเดียขึ้นไปทันทีโดยพลังแขนขาที่ยังมีอยู่เหลือเฟือสูงจากระดับพื้นเบื้องล่างขึ้นไปราว1213เมตรเท้ากําลังยันกับผนังหินรูปโคง้ง บัตรนั้นเองสัมผัสจากสายเชือกที่เขาโหนต่ายอยู่ก็บอกตอนเองได้ทันทีว่ามันเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นซะแล้วเสียงเชือกไนล่อนเส้นที่ใช้ชักรอกพักพวกขึ้นไปก่อนแล้วถึงห้าคนบัตรนี้ลั่นปึ๊ดปึ๊ดเป็นจังหวะและตัวเขาเองก็รู้สึกว่าลดระดับจากตําแหน่งที่โหนต่ายอยู่นั้นลงมาประมาณหนึ่งนิ้วต่อมาก็สองแล้วก็3นิ้ว ฉับพลันสัญชาตญาณบอกกับตนเองว่าสายเชือกที่ขัดสีกับแง่หินเหลี่ยมมุมมาหลายหลายครั้งเริ่มจะถูกเชือดให้ขาดออกทีละเส้นจากน้ำหนักตัวของเขาซึ่งเป็นคนสุดท้ายเขาลืมข้อนี้ซะอย่างสนิทหันลงไปดูข้างล่างโอ้โหถ้ามันขาดและหลุดร่วงลงไปไม่มีอะไรจะต้องพูดกันอีกแล้ว โคดแก่งแง่หินรองรับอยู่เป็นชั้นๆลงไปพร้อมที่จะให้เขาลงไปสัมผัสกับมันอย่างเชิญชวนระพินระวังนะเชือกกำลังจะขาดเสียงรองตะโกนลั่นลงมานั้นเป็นเสียงของคริสตินากรูบิลดังกล้องไปทั้งหน้าผาอย่างโนกขีสุดด้านบนของชะ ง, ง่อนใหญ่เหนือปีกภูเขารูปนกอินทรี ซึ่งบัดนี้คณะส่วนใหญ่ไต่ขึ้นมาอยู่ด้านบนหมดแล้วคริสติน่าผู้ยืนอยู่ริมหน้าผาชะโงกอันมินเมที่สุดมองไม่เห็นร่างของมักกุเทศที่กำลังไต่ขึ้นมาหลอนเห็นแต่เพียงสายเชือกที่ทุกคนใช้โหนตัวขึ้นมานั้นพาดอยู่กลางแง่เหลี่ยมหินอันมีลักษณะบางคมบริเวณหนึ่งต่ำจากระดับที่หลอนยืนอยู่ลงไปราวสามสี่เมตรเห็นเฉพาะจุดนั้นเท่านั้น และบัดนี้จากสายตาที่จ้องเขมงทำให้หลอนเห็นสภาพอันถูกคมหินบริเวณนั้นเฉือนสายเชือกซึ่งเปื่อยยุย่ยเพราะถูกน้าหนักตัวคนโหนไตขึ้นมาหลายหลายครั้งแล้วให้ขาดลุยออกไปทีละเกลียวทีละเกลียวอย่างถนัดชัดเจนที่สุดเส้นแรกด้านนอกที่ควนเป็นเกลียววายขาดปืดออกไปก่อนเห็นปลายที่ขาดทั้งสองลุยห่างออกจากกัน แล้วต่อมาก็เป็นเส้นที่สองเส้นที่สามซึ่งมีอาการอย่างเดียวกันอีกในระยะเวลาติดต่อกันอย่างรวดเร็วทั้งทั้งที่มองเห็นชัดว่ามันทวงเอาน้ำหนักของบุคคลหนึ่งอันหลอนมองไม่เห็นตัวเพราะลืบของชะ ง, ง่อนแง่หินเบื้องต่ำลงไปบังไว้ด้านล่างซึ่งแน่ละกำลังอาศัยเชือกมรณะเส้นนี้พยายามจะโหนไตขึ้นมา เสียงร้องตะโกนอย่างตกใจของคริสติน่าทำให้ฝ่ายมริการทั้งหมดเชิดบุตรพรานพื้นเมืองและลูกหาบทุกคนทะลันพูุมายังตำแหน่งนั้นทันทีพร้อมกับมองเห็นภาพที่คริสติน่าชี้ให้ดูเสียงตะโกนเอะอะก็ประสานกันขึ้นฟังไม่ได้สับโวยลั่นไปหมดความหมายอยู่ในทํานองเดียวกันคือร้องบอกให้ระพินทราบเพื่อระวังตัวเสียงหลง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 คาดคิดมาล่วงหน้าแบบนี้ใครขืนทะลันลงไปยังตำแหน่งนั้นก็แปลว่าวิ่งเอาหัวปากลงจากชะง่อนเขานั่นเองรับพินเปลี่ยนน้ำหนักตัวเดี๋ยวนี้หาง่ายหินกอไว้ก่อนสตาลีมีเสียงอยู่เท่าไหร่ก็ตะโกนก้องออกไปหมดกลบเสียงอืงคนนึงของทุกคนมันช้าไปเสแล้ว สภาพที่เกิดขึ้นเห็นคาตาอันเบิกโพล่งของทุกคนมีเสียงปึดหนักแน่นครั้งสุดท้ายแล้วเชือกในล่อนเคืองกว่าหัวแม่มือเล็กน้อยที่พาด ต, ตึงอยู่กับแง่หินตำแหน่งที่กำลังค่อยๆปริขาดออกทีละเกลียวอันควันรวมกันอยู่นั้นก็ถึงการอวาสานคือขาดแยกจากกันโดยเด็ดขาดทั้งเส้นปลายด้านบนกระตุกผึง ด้วยอาการสปริงดีดสะบัดเหมือนงูดิน้นส่วนปลายอีกด้านหนึ่งก็รับหายแวกไปกับตาทุกคนจากแรงถ่วงด้านล่างเบรองกรีดออกมาสุดเสียงอย่างลืมตัวคริสติน่าใช้มือทั้งสองตะครุบ ป, ปากตัวเองไว้สเตลีคิดเชิดวุดยืนเบิกตาโพลงตัวแข็งเป็นหินไปชั่วขณะส่วนบุญคำจันเกิดเสย อุทานออกมาว่านายจากนั้นทุกคนก็เงียบกริบกันไปหมดไม่มีใครหายใจอย่างน้อยก็ระยะเวลาหนึง่งพวกลูกหาบทุกคนหน้าซีดเผือดไม่มีสีเลือดแม้แต่นิดเดียวแม้จะมองไม่เห็นว่าภาพเบื้องล่างจะเป็นเช่นไรต่อไปแต่ภาพที่เห็นจากสายเชือกขาดคาตามันทำให้ทุกคนคาดคะเนดได้ ว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นกับประพินไพรวันแล้วไม่มีใครอยากคิดไม่มีใครอยากทำนายและไม่เชื่อสายตาว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเช่นนี้แล้วได้อย่างไรสายลมบนยามบ่ายพัดวื้อผ่านช่องโขดหินรอบด้านนอกจากนั้นแล้วไม่มีเสียงอะไรทั้งสิ้นและไม่มีใครสามารถบอกได้ ตางได้แต่ยืนตะลึงนิ่งทําอะไรกันไม่ถูกไปนานสักเท่าใดเชิดวุดเองในขณะนี้ก็รู้สึกเข่าอ่อนมีอาการเหมือนจะเป็นลมแต่แข็งใจกัดฟันแน่นยืนทรงกายอยู่พึมพำออกมาโดยไม่รู้ตัวว่าพระอระหันต์คิดกำมือทั้งสองข้างแน่นร่างกายดูเหมือนจะกลายเป็นอมาพาตขยับขยืขย่นไม่ได้ แบนนั้นควบลงไปนั่งแปะอยู่กับพื้นแล้วฝ่ามือทั้งสองปิดหน้าแน่นส่วนคริสติน่าขยับตัวหมุนซ้ายหมุนขวาอย่างรวดเร็วเพื่อจะทําอะไรสักอย่างนึงแต่ฝ่ามืออันแข็งแรงของหัวหน้าคณะผู้ควบคุมสติได้ดีที่สุดและรอบคอบสุ ข, ขุมที่สุดขยุ่มหมักมาที่ไหล่แม่ผมทองไว้บังคับให้สงบอยู่กับที่พูดแผ่วต่ําว่า ไม่มีภาวะเร่งด่วนใดๆที่เราจะทำแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือเขาได้แล้วเพราะถึงยังไงมันก็สายถ้าเราจะทำอย่างเร่งด่วนได้ต้องหมายถึงว่าต้องทำก่อนหน้าที่เชือกเส้นนั้นจะขาดแล้วดอกเตอร์สแตลลีก็ยกวิทยุในมือขึ้นกรอกเสียงพูดแหบห้าวลงไป เรียกระพินเรียกระพินได้ยินเราขอให้ตอบด้วยขอให้ตอบด้วยเสียงของหัวหน้าคณะออกอากาศกระจายเป็นคลื่นไปทั่วสุดแต่จะมีเครื่องรับใดรับได้ไม่มีคำตอบจากระพินไพรวันไม่มี แม้แต่เสียงร้องหรือคลางแววออกมาจากลำโพงของวิทยุมือถือเครื่องใดที่เปิดเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาขณะนี้เลยแตลลีเรียดช้าๆซ้ำขึ้นอีกในประโยคเดิมในระหว่างที่ทุกคนยังยืนเงียบกริบกันอยู่ผลคือความเงียบเหมือนเดิม p ฮ l e s s เขาครางออกมากระเดือกลําคออันแห้งผากแล้วหันมามองดูลูกศิษย์ทั้งสี่ของระพินซึ่งยืนหน้าเขียวราวกระสบเรียงรายกันอยู่เหมือนจะถามหรือขอความเห็นอะไรบางอย่างแต่คนเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นใบ้เบื่อกันไปหมดแม้แต่บุญคําอันเป็นสมุนขวาและเชื่อมั่นในตัวเจ้านายรู้ฝีมือรู้ความตื้นลึกหนาบางดีที่สุด สภาพของแกในขณะนี้กายสั่นเทิมเหมือนจับไข่จัน์เกิดหรือเซยหน้าตาก็แทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนเราลืมคิดถึงความจริงอะไรไปอย่างหนึ่งสเตลลีกล่าวขึ้นด้วยความพยายามสะกดกลั้นความรู้สึกเชือกเส้นนั้นพาดผ่านแง่หินคมหลายแห่ง พวกเราทั้งหมดใช้เชือกเส้นนี้ไต่ขึ้นมายิ่งมากคนน้ำหนักมันก็จะไปทําให้แง่หินเสียดสีกับเชือกเหมือนการค่อยๆเชือ่อดให้ขาดออกไปทีละน้อยคนแรกที่ขึ้นมาจะปลอดภัยที่สุดส่วนคนรังท้ายก็จะเสี่ยงที่สุดต่อการขาดของเชือกความจริงเราควรจะเปลี่ยนสายเชือกไม่ควรใช้เส้นเดียวกันตลอด ระพินเป็นคนหลังเพื่อนและเขาเองก็ลืมคิดถึงข้อนี้ไปในห้างในห้างลองเรียกอีกสักครั้งสิบุญรรมละล่ำาละลักออกมาอีกสแตลีหมดหวังแล้วยืนถือวิทยุเม้มริมฝีปากเกือบเป็นเส้นตรงคริสยกวิทยุของตนเองขึ้นระพิน คุณยังพอมีลมหายใจยังมีเสียงเหลืออยู่บ้างก็ให้เสียงขึ้นมาสักคำเดียวเท่านั้นแหละระพินหลอนพูดอย่างชัดเจนแต่เร่าร้อนใจขีดสุดแล้วทุกคนก็ยิ่งใจหายเมื่อไม่ได้ยินเสียงตอบจากพรานใหญ่เลยนับตั้งแต่เห็นเชือกเส้นนั้นขาดผึงออก บุญคำตัดสินใจในทันทีนั้นสายเชือกกันมีขนาดเคีืองกว่าเส้นนั้นเล็กน้อยอีกสองเส้นที่ใช้กว้านของขึ้นมาและบัตรนี้ได้สาวขึ้นมากองรวมกันไว้ด้านบนแล้วถูกแกจับคว้างให้ปลิวลงไปด้านล่างตามเดิมทั้งสองเส้นรองตะโกนบอกเกิดให้ลงไปตรวจดูบริเวณที่มัดยึดไว้ว่ายังมั่นคงดีตามเดิมหรือไม่พอพรานเด็กหนุ่มพุ่งปราดไปตามคาสั่งอย่างรวดเร็วรองบอกมาว่าเรียบร้อย แกก็หันไปทางจันท์บอกเร็วหรือว่ามาไอ้จันเอ็งก็ข้าสองคนไตกลับลงไปดูในเห็นกระตาก่อนที่ทั้งสองจะขยับขยื่นยังไงต่อไปเชิดบุตรคริสและสเตลลีก็ถลันปาดเข้ามาในทันทีบุญคํากระจัน์คอยอยู่บนนี้แหละฉันจะเชิดบุตรหรือแมมคริสจะไตลงไปด้วยงหัวหน้าคณะพูดโดยเร็ว ตาเท่าย้อนถามเสียงแปลงแปลงว่าในห้างนายทหารเชิดบุตรแมมคริสหรือใครในฝ่ายพวกนายไตยเขาได้คล่องกว่าบุญคำกับจันเหรอเราอาจต่เขาได้ไม่คล่องเท่าจันหรือบุญคำหรอกแต่เรารู้จักในวิธีปฐมพยาบาลได้ดีกว่าจันหรือบุญคำแน่ถ้าหากพบว่าเขายังไม่ตายและบาดเจ็บอยู่สแตลลีสวนมาโดยเร็ว ทั้งสองฝ่ายถกเถียงโต้อตอบกันยังชับไปที่สุดขีดก้าวพรวดพรวดก็ามาอีกคนนึงรับอาสาที่จะเป็นผู้ไต่ลงไปดูระพินด้านล่างด้วยสำหรับนายพันเอกแห่ง US Army ถูกหัวหน้าคณะของเขากันออกไปอย่างเฉียบขาดแล้วเพราะน้ำหนักมากเกินไปการไต่เชือกลำพังจะนำตัวเองขึ้นมามันก็ลำบากพอแรงแล้วเชือกวุฒก็อยู่ในลักษณะเดียวกัน ส่วนหมอเบนไม่ต้องพูดถึงยามนี้นอนหมดแรงอ่ อ, อนเปรี้ยเต็มทนย่อมมาอยู่ในฐานะที่จะไต่กลับลงไปได้ทั้งสิน้นฝ่ายนายจ้างจะเลือกเพียงด็อเตอร์สแตลลีหรือคริสติน่าเท่านั้นที่พอจะไต่เชือกลงมาได้แต่เมื่อมาประกบคู่กับคนของระพินอีกสองคนคือบุญคำกับจันจึงต้องชี้ขาดกันว่าฝ่ายใดจะแบ่งสรรกันยังไงในการจะลงไปในครั้งนี้ เพราะเชือกที่จะโหน ล, ลงไปมีอยู่เพียงสองเส้นเท่านั้ น, ถ, น, นถ้างั้นทางฝ่ายนายห้างก็ตกลงกันเองว่าใครจะลงไปแต่สำหรับทางด้านผมจะให้จันลงไปบุญคำบอกภายหลังจากหันไปหาเรือเร็วรหรือกับจันซึ่งยังสดชื่นแข็งแรงกว่าแกมากในภาวะเช่นนี้อีกทั้งเป็นพรานอาวุโสรองจากบุญคำลงไป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 โปรดตัดสินใจให้ได้ว่าระหว่างชั้นกับอาจารย์ใครควรจะลงไปคู่กับอาจาร์เดี๋ยวนี้เชือกยาวที่จะไต่ลงไปได้มันก็มีอยู่เพียงแค่สองเส้นนี้เท่านั้นเราจะต้องเลือกเอาสองคนที่สันแล้วว่าเหมาะสมที่สุดหัวหน้าคณะจำนนต์ต่อเหตุผลของหล่อนตกไหลโดยแรงโอเคคริสกัจจันต์ลงไปเดี๋ยวนี้เราจะติดต่อกันทางวิทยุ แล้วก็จำไว้นะไม่ว่าเขาจะเป็นศพไปแล้วหรือร่อแร่เพียงไหนภายหลังช่วยเท่าที่จะช่วยได้แล้วกว้านเอาร่างเขาขึ้นมาบนนี้ให้ได้ท่ามกลางใจอันเต้นระทึกของทุกคนไม่มีใครพูดคำใดกันอีกเลยคริสตินาเร็วกว่าจันซะอีกหล่อนถอยหลังสาวสายเชือกเส้นเคืองค่อยคอยขยับ โรยตัวลงไปตามก้อนหินอันเป็นมุมงโงกบดบังทุกสิ่งทุกอย่างข้างล่างในส่วนที่เว้าลึกนั้นลงไปอย่างแคล่วคล่องส่วนจันก็ไต่ตามลงไปในเวลาติดๆกันทั้งสองมีระยะไต่ ย, ย้อนกลับลงทางเดิมโดยห่างกันเพียงสองวาเท่านั้นพอที่จะไกวตัวเข้ามาชิดกันได้หากจาเป็นทุกคนด้านบนในขณะนี้ ยังไม่มีการเคลื่อนไหวทำอะไรได้ทั้งสิ่งนอกจากมายืนรอคอยกันอยู่เป็นกลุ่มเพื่อสะดับฟังข่าวนักตำแหน่งชะง่อนหินหน้าผามาหคือมานั้น112่สิบสีนาฬิกาตรงระหว่างที่คณะของเชษฐาเดินไต่เรียบไปบนด่านช้างขนาดใหญ่ บนสันเขาที่กัน้นล้อมบริเวณหุบหมาหอนด้านใต้ดารินผู้มีอาการใจร้อนอยู่ตลอดเวลาบัดนี้ออกนำเหมือนนักมักคุเทศไปเบื้องหน้าทิ้งระยะห่างจากพักพวกราว20สิเมตรโดยอาศัยสังเกตร่างของเจ้าด้วนที่ดุมเดินเป็นเรือนำร่องไปทุกระยะเดือกรงนี้มันไม่ทิ้งห่างออกไปมากนะักพอให้สังเกตได้ตลอดเวลา แต่ว่าจะลับเนินสูงสูงต่ำาๆที่เป็นมุมบางตาอยู่บ้างบางครั้งบางคราวเท่านั้นจากสองฝากที่เป็นป่าทึบขุนเขาเขียวทมึนชั่วไม่นานนักหล่อนผู้เดินนำอยู่เบื้องหน้าก็ไต่ขึ้นสู่เนินสูงประมาณ45องศาจากระดับที่เทลากเป็นทางลงมาฝั่งซีกซ้ายมือไม่ห่างไกลออกไปนักแหะเหินผาใหญ่เป็นหินล้วน โผลรงงานอยู่กลางหุบเหวเวิงวางเป็นก้อนของภูเขาอันประกอบไปด้วยหินล้วนๆปราศจากพืชพันธุ์ใดๆขึ้นดูผิดไปจากเขาที่แวดล้อมต่ำกว่าลงไปทุกลูกดารินหยุดพักเหนื่อยดื่มน้ำและรอคอยพักพวกอยู่ตรงนั้นชั่วขณะวิทยุมือถือของทุกคนขณะ น, นี้ทำงานติดต่อถึงกันได้แล้ว หลังจากห่างหุบผาตะเคียนทองออกมาได้ประมาณห6กิโลเมตรระยะเวลาระหว่างรอคอยพี่ๆและพวกลูกหาบอยู่นี้หล่อนใช้กล้องสองทางไกลปรับเลนสําำรวจไปยังปา่าทึบเบื้องล่างอันเป็นบริเวณหุบหมาหอนซึ่งก็มองไม่เห็นอะไรได้มากไปกว่ายอดไม้เขียวมืดขึ้นบังตาเต็มไปหมดจึงเบนกล้องเปลี่ยนทิศทางไปยังหน้าผาใหญ่ อันเป็นหินล้วนตัดชั้นนั้นจากเล่นขยายขนาดเจ็ดเท่าของกล้องเยอรมันชันดีหล่อนินเลียงผาฝูงหนึ่งประมาณ 7, 8ตัวกำลังกระโดดตะกายขึ้นไปตามแก่งแง่โคถินของภูเขาลูกนั้นลักษณะพยายามจะไต่สูงขึ้นไปเป็นลำดับอย่างแตกตื่นอะไรชนิดหนึ่งเจ้าแพ้ภูเขาซึ่งชำนาญในการไต่ที่สูงชันเหล่านั้นอยู่ในภาวะตะเ กระโจนจากชะงอนนั้นขึ้นไปยังชะงอนนี้สลับเปลี่ยนกันไปมาดูวอบแวบสับสนไปหมดดารินใช้กล้องจับสารวจอยู่อย่างพินิษเพราะไม่มีอะไรจะทำมากไปกว่านั้นระหว่างที่รอคอยพักพวกอยู่และขณะนั้นเองอนุชาก็ตามมาทันเป็นคนแรกเห็นอาการของน้องสาวกำลังสองกล้องสนใจอะไรอยู่ก็ถามมีอะไรเหรอน้อย เลียงผาค่ะพี่กลางมันกำลังกระโจนแต่ยอยู่บนหน้าผาชันนั้นเหมือนจะหนีอะไรสักอย่างนั่นแหละคงจะไม่ใช่แตกตื่นพวกเรานะเพราะมันคนละลูกเขาแล้วก็อยู่ห่างกันตั้งร่วมหกเจ็ดร้อยเมตรแบบนี้อนุชาว่ายกกล้องส่องทางไกลของตนขึ้นมาส่องดูบ้างแล้วก็อุทานออมาเบาๆเสือดาวอะ่ะมันกาลังปีนแง่หินอันสูงชันพวกนั้น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 ทำให้มองเห็นพื้นเหลืองลายจุดดําของเสือดาวตัวหนึ่งชัดเจนกว่าเจ้าพวกเลียงผาซึ่งสีกลืนกก้อนหินซะอีกขณะนี้มันกําลังตะ ก, กายเกาะแงหินไตาตามหลังขึ้นไปทิ้งระยะห่างจากกลุ่มเลียงผาที่เพ่นขึ้นสูงเหนือมันไม่มากนะักสองพี่น้องต่างสองกล้องดูภาพการไล่ล่าของชีวิตปกติธรรมดาของสัตว์ป่าอย่างไม่สู้จะสนใจอะไรนะัก เป็นการฆ่าเวลารอพักพวกสะมากกว่าแ ล, แล้วบัตรนั้นเองดารินก็อุทานอะไรออกมาคำานึงเบาๆเจ้าเสือดาวผู้แกรงกร้าวและคงกระหายเหยื่อจักตัดสินใจกระโจนจากชะงอนหินแคบๆที่มันมาหยุดพักอยู่เพื่อจะขึ้นไปยังโขหินตอนบนอันล่อแหลมหมายตัดทางไล่เลียงผาให้กระชั้นชิดเข้าไปอีก มันจะตัดสินใจผิดหรื อ, อยังไงไม่ทราบได้ตำแหน่งเหนือศีรษะสูงขึ้นไปที่มันกระโจนขึ้นเกาะ น, นั้นห่างคนระยะที่มันจะกระโดดขึ้นไปเหยียบยืนได้ทั้งสี่ขาจึงกลายเป็นว่ากรงเล็บของเท้าหน้าทั้งสองเกาะแต่เฉพาะแง่หินแคบๆไว้ได้เท่านั้นตัวมันเองเหยียดยาวห้อยระนาบลงมากับพื้นตัดเรียบชั้นนั้นเหมือนแมวเกาะรั้วสังกสีเฮ้ย อนุชาร้องออกมาเบาๆภาพที่ปรากฏในเลนกล้องของทั้งสองพี่น้องเจ้าเสือดาวพยายามตะเกียกตะกายเท้าหน้าทั้งสองอันเต็มไปด้วยเล็บของมันเพื่อจะหาที่ยึดเหนี่ยวแต่ก็ไม่อาจจับเข้าส่วนใดได้อีกนอกจากแกงแง่หินที่โผล่ออกมามินมินซึ่งมันเกาะไว้ได้ครั้งแรกเท่านั้นขาหลังทั้งสองก็ตะกุยจับกับหน้าผาแต่ก็จับไม่ถนัดอีก เพราะความเรียบราบทำให้สภาพของมันเกาะตัวเองโหนตองแตงยักแย่อยักยันอยู่บริเวณนั้นนั่นเองมีหน้ำซ้ำแงหินที่มองเห็นอาจไม่ใช่หินแกร่งแข็งอะไรนะักอาจเป็นพวกหินเปราะหรือประเภทกรวดลูกรังเพราะมีฝุ่นจากการขยับขยืขย่นกรงเล็บที่โหนน้ำหนักตัวของมันลอยคลุงขึ้นมาให้เห็นถูกละ บริเวณที่มันพยุงตัวอยู่นั้นกำลังจะถล่มลงกระบิจากน้ำหนักตัวตายแล้วพี่กลางไอ้เสือดาวตัวนั้นหมดทางไปมันตัดสินใจผิดมันกำลังจะร่วงจากบริเวณที่มันเกาะดารินร้องเร็วปรือแล้วก็จริงดังราชสกุลสาวทํานายไว้แค่ไม่ถึงอึดใจเท่านั้น ท่ามกลางการพยายามตะเกียกตะกายอย่างสุดชีวิตของเสือดาวเคราร้ายตัวนั้นทั้งสองเห็นมันหลุดร่วงจากบริเวณแง่ที่อุ้งเท้าหน้าทั้งสองเกาะไว้ลนวูบแล้วก็หายแวบไปในแง่โคดหินเบื้องล่างที่โปรแซมอยู่ชัดแจ้งกับตาครั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็สงบเงียบเห็นแต่เลียงผาฝูงเล็กๆนั้น ขึ้นไปยืนออรวมกันอยู่บนชะงอนสูงตอนหนึ่งไม่มีทีท่าว่าจะเผนตเลิดไปไหนอีกต่อไปอนุชาสองกล้องดูอยู่เงียบๆด้วยอาการปกติสำหรับชีวิตความเป็นไปของป่าดงแต่ดารินลดกล้องลงหลับตานิ่งหล่อนบอกไม่ถูกว่าตนเองมีความรู้สึกอย่างไรดูเอาเถอะ แม้แต่เสือดาวอันเป็นเจ้าแห่งการปีนป่ายก็ยังพลาดได้หลอนทายอนาคตของมันไม่ถูกว่ามันจะพลัดหล่นจากตำแหน่งที่กระโจนเกาะพลาดนั้นลงไปกระทบแห่หินข้างล่างบาดเจ็บสะบักสะบอมหรือว่าแหลกเหลวไปเช่นไรแต่ที่เห็นชัดๆก็คือเสือดาวกระโจนใต่หน้าผาปีนป่ายขึ้นไปแล้วพลาดหล่น หล่อนไม่คิดนึกมาก่อนว่าจะได้มาเห็นภาพอันไม่เป็นมงคลกับสายตาและความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเทศาชัยยันนานทีและขยินพร้อมพวกลูกหาบเดินตามมาถึงไงเหนื่อยมากแล้วน้อยหน้าซี่เจ้าเพื่อนชายทักขึ้นเบาๆขณะที่จ้องหน้าดารินฝืนยิม้มเารอก มันมันเพียงแต่ว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจยังไงพี่กรณ่ะทำไมมีอะไรเหรอเชิถาถามมองดูหน้าน้องสาวกับ น, น้องชายซึ่งมารอยอยู่ก่อนแล้วและสังเกตเห็นทั้งสองมีกล้องสองทางไกลกันอยู่คนละกล้องก็ไม่มีอะไรหรอกครับพี่ใหญ่น้อยกับผมขึ้นมาถึงที่นี่ก่อนก็เลยส่องกล้องดูภูมิประเทศเห็นที่ภูเขาหินเป็นหน้าผาใหญ่น่น เสือดาวมันกระโจนไต่หน้าผาขึ้นไปดูเหมือนมันจะไล่เลียงผานะครับแต่แล้วมันก็กระโจนเกาะหินพลาดล่นหายไปมันก็เรื่องธรรมดาๆรรของชีวิตดิ้นรนในปา่าน้อยก็เห็นและมีอาการเหมือนจะไม่สบายอย่างนั้นแหละเสือดาวตกเขาเหรอชยันร้องเบาๆด้วยอาการงุนงขงขมวดคิ้วจ้องหน้าทั้งสองใช่ดารินตอบแผ่วเบา อีกฝ่ายหัวเราะยังไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นเมื่อมันพลาดมันก็ตกได้เหมือนกันไม่สงสารมันงั้นเหรอคือฉันไม่รู้สึกไม่สู้จะปลอดใจปลอดปลงใจนักอะ่ะที่มาเห็นอะไรที่มันไม่น่าเชื่อตาแบบนี้มันเหมือนจะเป็นลางบอกเหตุอะไรสักอย่างอะ่ะแล้วหล่อนก็สะบัดหน้าแรง มองด้วยตาเปล่าไปยังหน้าผาด้านนั้นอีกครั้งพี่ชายใหญ่เดินเข้ามาจับต้นแขนรั้งให้ออกเดินเหลียวไหลน่ะน้อยชาิเสือมันไม่ทิ้งลายของมันหรอกถึงจะลนมันก็ต้องพยายามตะเกียกตะกายเกาะแง่หินที่ต่ำลงไปพยุงเอาตัวชีวิตรอดจนได้แล้วนะ่ะเกิดมายังไม่เคยได้ยินว่าเสือดาวตกเขาตายยกเว้นตกเพราะถูกปืนเท่านั้นแหละ ไปไปไปเดินต่อลุงอินบอกว่าอีกสักประเดี๋ยก็จะถึงตำแหน่งช่องเขาปากทางด่านแรกที่จะนำเข้าสู่เขตห้วยเสือร้องนั่นล่ละอ่ะไปเดินทางต่อ14นาฬิกาเจนาทีเวลาเดียวกันชนิดตรงเพิงอันเป็นเวลาที่ดารินวราฤทธิ์ส่องกล้องมองเห็นเสือดาวหล่นลงมาจากหน้าผาสูงชัน นาฬิกาบนข้อมือของด็อร์สเตลลีก็ชี้บอกอย่างเที่ยงตรงไม่ขาดไม่เกินแม้แต่วินาทีเดียวซึ่งเป็นเวลาที่คริสตินาร้องบอกกับทุกคนว่าเชือกที่ระพินไรวันกำลังสาวตัวไต่ตขึ้นมานั้นขาดสะบั้นออกจากกันแล้วต่อจากนั้นภายหลังถกเถียงปรึกษากันอย่างเคร่งเครียดเพียงไม่เกินสองสามนาทีจันกับคริสตินาก็เป็นผู้โหนไตเชือกย้อนกลับลงไปทันที เพื่อกู้เอาร่างของสุภาพบุรุษจอมักคุเทศขึ้นมาบนชะง่อนผาให้ได้ไม่ว่าเขาจะบาเดเจ็บพิการเพียงใดหรือว่าแหลกเหลวเสียชีวิตไปแล้วก็ตามโดยคำสั่งของหัวหน้าคณนะณบัดนี้บุคคลอันเป็นที่วิตกกังวลของคณะพักทุกคนกำลังเผชิญหน้าอยู่กับภัยอันเจ้าตัวถือว่าไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรนะัก เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของชีวิตพรานนักเดินป่าใตาเขาอย่างเขานั่นเองรู้ตัวล่วงหน้าก่อนเชือกจะขาดออกจากกันทั้งเส้นแค่สองสามอึดใจจะเปลี่ยนย้ายน้ำหนักของตัวเองไปเกาะแก่งแง่หินบริเวณใกล้เคียงเอื้อมถึงตอนใดก็มองไม่เห็นเขาได้ยินเสียงตะโกนเตือนของดรอเตอร์สไตลีที่แววออกมาจากวิทยุที่เน เ, เนบเอวอยู่อย่างถนัด แต่ในภาวะเช่นนั้นไม่อยู่ในฐานะที่จะหยิบวิทยุเน็บเอวขึ้นมาพูดโตตอบใดๆได้ไดไดพราะมือทั้งสองมีภาระหนักในการโหนเชือกอยู่แล้วเชือกระยำเส้นนั้นมันก็เล่นก้นออกกับเขาจริงๆโดยขาดผึงออกจากกันร่างของพลางใหญ่ที่นาบอยู่กับหน้าผาเรียบร่วงวูบเป็นแนวตรงคลูดลงมากับบริเวณหน้าผานั้นในลักษณะทิ้งดิง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 แค่ช่วงสองวานเท่านั้นที่ร่างกายครูดลงมาเขาก็คว้าขอบแง่ตอนหนึ่งที่โผล่ล้ำออกมาเหมือนพาลัยชานตึกขนาดแคบๆเอาไว้ได้แล้วโหนตัวเกาะนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักอย่างนอกจากตัวเองจะต้องห้อยเป็นชะนีเกาะกิ่งไม้พยุงตัวไว้ก่อนเพื่อหาทางที่จะปีนป่ายต่อไป ตลอดเวลาที่หัวหน้าคณะและคริสติน่าส่งวิทยุเรียกลงมาเขาได้ยินชัดเจนทุกประโยคแต่จะเอามือข้างไหนไปปลดวิทยุมาพูดโตตอบได้ไอ้รันจะแหกปากตะโกนด้วยเสียงของตนเองขึ้นไปก็เหนื่อยเหลือกำลังเสียงไม่มีในลำคอเลยและระยะของทิศทางที่เป็นชะโงกหินใหญ่บังอยู่นั้นมันเกินกว่าที่จะตะโกนด้วยปากเปล่าเพื่อ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 พอให้ใช้เท้าเหยียบยันเพื่อช่วยพยุงตัวได้เลยหินบริเวณนั้นมันเป็นผิวเกลี้ยงเรียบไปหมดเว้นแต่เท้าของเขาจะมีสภาพเป็นจิ้งโจกหรือตุ๊กแกไปเท่านั้นน้ำหนักตัวเองทวงจนกระทั่งรู้สึกถึงความเมื่อยล้าแขนทั้งสองสั่นระ ร, ริกยิ่งกระดิกดิ้นรนมากก็ยิ่งจะทำให้มือที่เกาะแง่อยู่หลุดเร็วขึ้นอีก จึงได้แต่สงบนิ่งอยู่ในสภาพอันมืนเมฆาค้างอยู่เช่นนั้นแล้วชั่วไม่นานเกินไปนักโสรก็แว่วเสียงการเคลื่อนไหวจากเหนือสีสษะเหมือนมีใครโหนเชือกลงมาเสียงเท้าที่เหยียบยันกระก้อนหินเสียงเชือกลั่นอันเกิดจากน้ำหนักตัวซึ่งกำลังขยับลงมาเรื่อยๆได้ยินใกล้เข้ามาทุกขณะ ยอมพลานเงยหน้าขึ้นไปดูด้านบนแล้วถอนใจออกมาได้อย่างโล่ง อ, อกท่ามกลางแสงตะวันบ่ายอันร้อนแรงร่างของสองบุคคลในอาการโรยตัวตามสายเชือกที่ยึดไว้ที่ผนังหินแกวงตัวต่ำลงมาที่เขาห่างขึ้นไปไม่มากนักทั้งคู่เว้นระยะห่างกันราวสองวาโดยเชือกคนละสาย คนที่จะย่อนลงมาใกล้ตำแหน่งที่เขาเกาะอยู่ใกล้ามากที่สุดคือจันสมุนซ้ายส่วนห่างออกไปเล็กน้อยคือนักไต่เขามือดีที่สุดของฝ่ายนายจ้างคริสตินากรูบิลในระยะขนาดนี้ทั้งสองมองเห็นเขาแล้วว่ากำลังเกาะขอบแง่หินทรงกายห้อยนิ่งอยู่จันตะโกนว่านายขึ้นกึกกล้องและยินดีขีดสุด ส่วนคริสติน่าเรียกนามของเขามาคำเดียวว่าระพินอย่าปรีผาลามตลีตลานครับคริสผมเรียบร้อยดีครับค่อยๆลงมาช้าๆก็ได้ครับระพินร้องบอกขึ้นไปเท่าที่เสียงจะอํานวยได้โดยไม่มีการรอช้าอีกเลยแม้แต่วินาทีเดียวจันรู้ตัวปรุดปลุดลงไปที่เขาส่วนคริสติน่าใช้วิธีถีบตัวเองให้ลอยห่างจากผนังหิน แล้วไกวร่างเข้ามาใกล้ด้วยเห็นในสภาพเช่นนี้บอกได้ว่าหล่อนชํานาญในด้านนี้อย่างแท้จริงก็แค่ไม่กี่วินาทีต่อมาเท่านั้นคนทั้งสองที่โหนลงมาได้บรร ล, ลุถึงตําแหน่งที่ระพินเกาะห้อยอยู่ขนาดเอื้อมมือถึงคริสติน่าร้องสั่งจันทร์เร็วปรือว่าจันท์อย่าเพิ่งยุดอยู่ตรงนั้นย้อนตัวให้ต่ำกว่าระดับตัวเขาลงไป แล้วให้สายเชือกพาดใกล้มือเขาที่สุดก่อนนั่นเป็นคำสั่งที่ถูกต้องที่สุดของการกู้ภัยตามสภาพที่เห็นกันอยู่ขณะ น, นี้จันปฏิบัติตามทันทีหดมือที่กำลังจะส่งไปให้รพินอย่างโง่โง่ปอยตัวผ่านร่างของเขาต่ำลงไปอีกสายเชือกของตัวเองพาดผ่านมาที่ลําตัวของเขาซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่คริสตินา่าห้อยตัวเข้ามาถึง ตัวหล่อนเองก็พอ่อนให้ต่ำกว่าเขาเล็กน้อยเช่นกันและก่อนอื่นใดทั้งสิน้นหล่อนใช้ปลอกแขนอันแข็งแรงเกินสภาพของหญิงสามัญคล้องมัดเอวเขาไว้ก่อนเป็นหลักประกันว่าถ้าแม่รพินหมดแรงจะคลูดร่วงต่อไปก็จะติดวงแขนของหล่อนไว้พลางพลงก่อนขอบคุณนรกนึกว่าลงไปแหลกอยู่ข้างล่างแล้ว เปลี่ยนมือมาเกาะสายเชือกของจันไว้ระพินหล่อนพูดเบาๆสีหน้าเต็มไปด้วยความปิติคนอย่างผมมันตายยากคุณเอาละคุณปล่อยมือจากตัวผมได้แล้วระพินบอกและเปลี่ยนมือจากที่เกาะแง่หินไว้ไปคว้าสายเชือกเส้นเดียวกับจันซึ่งบัดนี้ย่อนตัวต่ำลงไปอีกเพื่อลงไปยืนผ่อนน้ำหนักตัว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 นายขึ้นไปก่อนได้เลยจันจะยืนเกาะ อ, อยู่ตรงนี้แหละมีหนอหินพอจะอาศัยเหยียบได้เต็มตีนไม่ต้องห่วงหรอกนายเสียงจันร้องตอบขึ้นมาโดยเร็วรบพินพยักหน้ากับคริสตินาบอกกับหล่อนด้วยน้ำเสียงปกติธรรมดาเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยว่าไปคริสเราโหนตัวขึ้นไปได้แล้วละคนละเส้นเชือกประเดี๋ยวขึ้นไปถึงแล้วจันก็จะไต่ตามขึ้นมาเอง คริสติน่าชำเลืองดูหน้าอันโชคไปด้วยเหงือของเขานิดนึงก็เห็นพรานใหญ่ขยิบตาให้อย่างล้อๆหล่อนย่นจมูกตอบและตัวเองก็สาวเชือกไตขึ้นไปทันทีโดยไม่กังวลต่ออะไรอีกระพินก็ไตาตามขึ้นไปช้าๆแล้วร่างของบุคคลทั้งสองก็ปรากฏโผล่ขึ้นมาจากขอบแง่หินใหญ่อันเป็นบริเวณที่เฉือนเส้นเชือกเส้นแรกของเขาขาดออก ปรากฏให้ทุกสายตาที่เฝ้ารอคอยอยู่ด้วยความกระสับกระส่ายหินเกือบจะพร้อมๆกันเสียงทุกคนบนนั้นโบกเวกแซ่ซำขึ้นอีกครั้งอย่างยินดีและแทบไม่เชื่อสายตาเสียได้ร้องถามแซดบมาจนจับสับไม่ได้ระพินโบกมือให้ยังไม่พูดอะไรก่อนทั้งสิน้นาตหินเทลาดนั้นขึ้นมาจนถึงบริเวณชะง่อนอันปลอดภัย ตรงที่ทั้งหมดรอคอยกระโดดโลดเต้นต้อนรับกันอยู่แล้วโดยมีคริสติน่าตามหลังมาในเวลาไล่เลี่ยงเมื่อเขาขึ้นมาถึงเรียบร้อยก็กระตุกสายเชือกแรงๆเป็นสัญญาณเตือนบอกให้จันไตาตามขึ้นมาได้แล้วโดยเชือกเส้นเดียวกันนั้นสแตลลี่ตรงเข้ามากอดเขาไว้แน่นในขณะที่เชิดวุดคิดและเบลเฮลโลเข้ามารายล้อมแสดงความยินดีปรีดาอย่างบอกไม่ถูก ระพินคุณเกือบโชคร้ายเป็นครั้งที่สองเลนะหัวหน้าคณะตบหลังเขาแรงๆขณะที่ยังกอดอยู่นั้นทุกคนสีหน้าเบิกบานแจ่มใสขึ้นมาได้ผิดกับเมื่อครู่นี้หน้ามือเป็นหลังมือนี่บอกตรงๆอ่ะตอนที่เห็นเชือกขาดผึงอาไปคาตาแล้วเรียกทางวิทยุไม่มีเสียงตอบผมนึกว่าคุณหมดภารากจิตในครั้งนี้แน่แล้วลนะ่ะยังครับยังยังไม่หมดล่ะครับ จงกว่าผมจะปฏิบัติหน้าที่รับใช้พวกคุณจนรู้ล่วงนะครับระพินตอบยิ้มยิ้มเฮ้ไอ้เสือทำไมถึงไม่ตอบเราขึ้นมาเลยสักคำเดียวตอนที่วิทยุเรียกลงไปอ่ะคิดเข้ามาประคองไหลเขาอีกคนหนึ่งอย่างรักสนิทโธ่คิดผมน่ะมีอยู่แค่สองมือแล้วก็สองมือก็ต้องใช้ในการช่วยชีวิตตัวเองอย่างเต็มที่โดยการเหนียวเกาะแง่หินไวอีตอนเชือกจะขาด่ะ จะเอามือที่ไหนมาปลดวิทยุที่เน็บเอวมาตอบหรือรายงานเหตุการณ์กับพวกคุณขอบคุณทุกคนนะที่เป็นห่วงแล้วก็ส่งคริสกัจจันให้ลงไปช่วยอย่างทันการผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าสองคนนั้นลงไปช้ากว่านั้นอีกนิดเดียวผมจะมีแรงเกาะแง่หินมินมินในลักษณะนักกายกรรมแบบนั้นไปได้นานสักแค่ไหนก็อาจจะหมดแรงร่วงไปก็ได้คุณได้ยินเสียงเรียกของพวกเราไม่ใช่เหรอคิดถาม ก็ได้ยินแล้วก็รู้ว่าพวกคุณตกใจมากพอเชือกมันขาดตัวผมก็คลูดลงไปแต่มันก็บังเอิญโชคดีนะคุณที่มีแง่หินแคบๆต่อห น, นึง่งขวางทางอยู่ทําให้่วยยึดไว้ได้ทันพวกคุณก็ตัดสินใจได้ทันการดีมากละ่ะที่รีบส่งคริสกัะจันให้รีบไต่ลงไปดูโดยไม่ชักช้าเพราะบอกแล้วไงว่าถ้าช้าไปอีกนิดเดียวผมก็หมดแรงเกาะแน่เหมือนกันและราพิมก็ถอนใจขื้น สบทอะไรพึมพำในลำคอหันไปมองดูสายเชือกที่ขาดกระจุยเหลือปลายตรงตำแหน่งที่ขาดนั้นซึ่งบัดนี้บุญคำสาวขึ้นมากองอยู่บนหน้าผาบอกต่อไปว่าไม่น่าเลยผมไม่ทันคิดว่าส่วนบนของมันพาดกับแง่หินคมก็พอดีแล้วพวกเราก็อาศัยเชือกเส้นนี้โหนล่วงหน้าขึ้นมาหลายคนแล้วทำให้มันเปื่อยตรงจุดนั้น รูนี้ไตขึ้นมาทางเส้นเชือกที่กว้านสัมภาระก็จะไม่ทําให้พวกคุณต้องมาเสียเวลาใจหายใจคว่มอยู่นี่พอจะเอาของขึ้นเสร็จหมดพวกข้างบนก็ดึงเชือกทั้งสองเส้นขึ้นมาสักก่อนแล้วเอาละครับสบายใจได้แล้วผมก็ไม่เป็นอะไรหนักหนาสาหาัสหรอกแค่หน้าอกครูดหินดุมเสื้อขาดไปสองสามเมตรเท่านั้นทั้งหมดรวมทั้งพรานพื้นเมืองและพวกลูกหาบทั้งหลายแสดงอาการโล่งอก ต่างยืนรวมกลุ่มกันอยู่รอจนกระทั่งจันตายกลับขึ้นมาถึงเป็นคนล่าสุดเชิด ว, วุธนั้นไม่เอ่อยอะไรมากนอกจากเดินเข้ามาจับมือเขาบีบและเขย่าโดยแรงด้วยสีหน้ายิ้มแยม้ม <c oughs> รับพินไพรวันซะอย่างเสียงเบลเอ่อยขึ้นลอยๆในภาษาของหล่อนซึ่งถ้าแปลออกมาก็คงได้ความทํานองนี้ ทำมาพวกเราใจหายใจคว่ำอยู่ตลอดเวลาเมื่อวานหายเข้าไปในทะเลเพลิงนึกว่าเหลือแต่กระดูกไปครั้งหนึ่งแล้ววันนี้แสดงอาการตกเขาให้ดูซะอีกทั้งสองครั้งโผลกมาหน้าตาเฉยพวกเราหัวใจจะวายตายเจ้าตัวต้นเหตุกลับไม่มีอะไรสะดุ้งสะเทือนเลยขอได้อย่างนี้ตลอดไปเถอะซุปเปอร์แมนจอมพรานไม่โต้อตอบคำใด สั่งให้บุญคำและลูกน้องของเขาทั้งหลายม้วนเก็บเชือกอันเป็นอุปกรณ์สำคัญที่สุดแม้แต่เส้นที่ขาดซึ่งยังมีขนาดยาวอยู่อีกหลายวาโดยให้ใช้ไฟลนตรงปลายส่วนที่ขาดลุยออกไปนั้นเกลียวของไนล่อนที่กระจุยออกจากกันถูกไฟจากไลเตอร์ลนเผาเยิมละลายตัวเข้ามาเชื่อมรอยสนิทเป็นตุ่มปมอยู่ตรงส่วนที่ขาดนั้นป้องกันไม่ให้มันคลายเกลียวออกจากกัน แล้วเขาก็กวาดสายตาสำรวจดูภูมิประเทศที่ต่างตายีกันยากเย็นขึ้นมาอย่างถีถ่ถ้วนทุกคนเมื่อหมดกังวลแล้วจึงเพิ่งจะมีโอกาสได้พิจารณาเป้าหมายที่ปีนกันขึ้นมาถึงนั้นอย่างเต็มตาอีกครั้งเพราะขณะที่ต่างปีนขึ้นมาถึงใหม่ๆความเหนื่อยล้าทําให้ยังไม่มีโอกาสได้ตรวจ ด, ดูลักษณะของมันถี่ถ้ถวนนัก ยิ่งมาประกอบกับอุปัตถวัยเหตุอันหวาดเสียวของระพินก็ยิ่งทำให้ลืมสนใจกับภูมิประเทศตำแหน่งนั้นลงซะหมวแต่ตกใจและวุ่นวายโกลาหนกันอยู่ลักษณะของมันเป็นยอดเขาหินอันแห้งแรงที่สุดเต็มไปด้วยก้อนหินที่งอกโผล่เรียงรายอยู่ทั่วไปและเมื่อขึ้นมาอยู่บนนี้แล้วสภาพของมันไม่เห็นจะเหมือนกับปีกของนกอินทรีย์อย่างใดทั้งสิ้น กับการพิจารณาดูจากท้องทุ่งเบื้องล่างลิบลิบลงไปนิดมีส่วนอันเป็นยอดสูงชะโงกงําขึ้นไปอีกช่วงหนึ่งและนั่นคือบริเวณลำคอกับศีรษะของนกอินทรีที่เห็นจากเบื้องล่างแน่แน่ระหว่างที่ระพินแงนขึ้นมองไปยังบริเวณอันเป็นลำคอและหัวนกนั้นนายคิสก็เข้ามาส ก, กิดเอวบอกว่านี่คุณ แต่คุณคิดที่จะพาพวกเราปีนต่อขึ้นไปยังบริเวณลำคอหรือหัวอีแรงนี่อีกแล้วก็พวกเราใจคุณขึ้นมาคนเดียวและใช้บุญรำนำทางต่อให้สำหรับเราหรือไม่ก็เรียกคอปเตอร์ให้มารับเฉพาะพวกเรากลับโดยทิ้งฝ่ายคุณไว้บนนี้เลิกแล้วถึงจะกลับไปติดคุกก็ยอมวะเอ้ยเหใจส่อหน้าคิดรูปร่างยังกันนักมวยปล้ำเฮวิเวททำไมถึงได้ใจเล็กนิดเดียวไม่ต้องห่วงหรอก เพราะไม่มีความจาเป็นอะไรที่เราจะต้องปอีนขึ้นไปบนหัวอีแรงเนี่ยเสียเวลาเส้นทางของเราต่อไปนี้นะ่ะตัดไปตามสันเขาเดินได้สะดวกพอสมควรแล้วรพินตอบปนหัวเราะเบาๆวันนี้ดูเขาจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษแล้วก็สำรวจดูสีหน้าอาการของนายจ้างทุกคนถามลอยๆต่อไปว่าอันนี้จะเคลื่อนต่อกันหรื อ, อยังละครับเนี่ยรพิน ตอนนี้น่ะมันบ่ายสองโมงเกือบจากครึ่งเลยนะคุณพวกเรายังไม่ได้มีอะไรรองท้องกันเลยแรืวอีอย่างหนึง่งต่างคนก็ต่างอีกโรยหมดแรงกันเต็มที่แล้วอเมริกันอาวโุโสเอ่ยขึ้นอ้อมแอมไม่เต็มปากเต็มคํานักรู้สึกว่าทุกคนต้องการพักกันเต็มที่แม้แต่พรานพื้นเมืองของเขาเองแล้วก็พวกลูกหาบทั้งหลายอะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องเคลื่อนย้ายจากที่นี่ก่อนครับหาตําแหน่งหมเหมาะ แล้วก็พักกันเลยสําหรับวันนี้ตรงนี้คงจะไม่ค่อยเหมาะนักหรอกเพราะมันโล่งแจ้งเกินไปไม่มีที่บังตะวันกลบน้ําค้างในตอนกลางคืนครับพรานใหญ่บอกแล้วหันไปร้องสั่งเกิดให้ส่งไรเฟิลของเขาเองที่ลําเลียงชักรอกขึ้นมาก่อนพร้อมกับสัมภาระอื่นๆมาให้ขยับลูกเลื่อนดูกระสุนเห็นว่าบรรจุอยู่พร้อมก็ลดนกตบลูกเลื่อนเข้าที่ตวัดสะพายบ่าออกน้ำเลาะลัด ไปตามแนวทางเดินดุมลุ่มลุ่มดันดอนระหว่างป่าหินของยอดเขาบริเวณนั้นทันทีทั้งหมดก็เคลื่อนตามไปเป็นขบวนเบลมองจับอยู่ด้านหลังที่กำลังเดินนำดุมดุมอยู่นั้นเอาข้อศอกสกิดคริสติน่าบอกว่าเขากำลังจะนำเธอไปสู่ซวอซวอนเลกหรือสระสวรรค์ที่มีฝูงหง่อย่างไงล่ะ คริสยิ้มขันขันในคำประชดแดกดันของเพื่อนสำหรับวันนี้หล่อนก็มีอารมณ์สงบเยือกเย็นเป็นพิเศษเหมือนกันต่างกับเบนซึ่งนับวันเวลาแห่งความทุกข์ยากทรมานหล่อนก็เกรี้ยวกราดหงุดหงิดเกือบจะทิ้งบุคลิกขี้เล่นเดิมๆไปซะหมดสิ่งน่าอย่าไปหงุดหงิดอะไรกับเขาเลยเบเมื่อกี้เขาก็เกือบตายไปแล้วถ้าชั้นกับจันไม่รีบลงไปทันเวลานะ ขนทางนั้นลาดลงไปสู่บริเวณแอ่งตอนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นชยภูมิหยุดพักได้ดีกว่าบริเวณส่วนอันเป็นยอดเนินของปีกอินทรีมีโขดหินขนาดสูงใหญ่บังตะวันบ่ายไว้พอลับเหลี่ยมมุมนั้นทุกคนก็เห็นระพินมาหยุดยืนมองอะไรเงียบๆอยู่ตรงแอ่งหลังโขดหินที่โผลมาพบอย่างกระทันหันฝ่ายที่ตามกันมาติดๆ ก็มาหยุดยืนพิจารณาดูด้วยความรู้สึกอันบอกไม่ถูกมันเป็นบ่อที่บรรจุของเหลวลักษณะเหมือนโคลนประหลาดในข้อที่ว่าเป็นโคลนเลนที่อยู่บนยอดเขาสูงท่ามกลางพื้นหินรอบด้านชนิดมองแทบไม่เห็นดินเลยอนาบริเวณของมันเป็นลักษณะบ่อรูปวงกลมเนื้อที่ราวหนึ่งร้อยตารางวาที่ทาให้ทุกคนรวมทั้งรพินต้องสะ อ, อึก มองดูเฉยอยู่ในขณะนี้ก็คือกลุ่มควันบางๆที่ลอยขึ้นมาในลักษณะระเหยคลายหมอกและโคลนเหลวในบ่อนั้นเดือดไหวตัวอยู่เป็นระยะระยะแตกเป็นพรายพลั่งดันสูงขึ้นมาแต่ละลูกพรายขนาดกระดง้งเคืองแต่ก็โผลกระเพื่อมอย่างแช่มช้าประดี๋ยวที่นั่นลูกที่นี่ลูกและปรากฏเสียงอยู่เบาๆ ค ล, คล้ายเป็นหม้อยักษ์ใช้อุณหภูมิความร้อนเขี้ยวโครนให้เดือดข้างในฉะนั้นเสียงของมันดังพลุบพลับพลุบพ ล, ลับตลอดเวลาและอาจจะเป็นเช่นนี้ชั่วนาตาปีไม่ทราบนานมาเท่าไหร่แล้วจอมพรานเหลือบตามองหน้าคณะเจ้านาย ของเขาทุกคนอย่างอึดอัดตนเองวางสีหน้าไม่ค่อยจะถูกนักยกหลังมือขึ้นขยี้จมูกคริสติน่าอมยิ้มสายตาหล่อนที่แลมายังเขามันมีอยู่หลายๆายความหมายปนกันทั้งสมเพทเวทนาหินใจทั้งขบขันและทั้งทุเร่พอเขาสบตาหล่อนก็ทำเป็นสูตรลมหายใจลึก เหมือนจะแสดงว่าชุ่มชื่นรื่นรมเป็นสุข เ, เต็มประดาพูดออมาปนหัวเราะเบาๆว่า My Good Heaven พบแล้วสะบกกรณีของรพินไพรวันเย็นรื่นชื่นฉ่าหน้าลงเล่นอาบกินเหลือเกินแล้วหล่อนก็ยื่นมือส่งมาให้เขาด้วยอาการทอดแขนอ่อนช้อย พร้อมกับร้องเพลงท่อนหนึ่งออกมาอย่างอ่อนหวานไพเราะเหมือนตัวละครแสดงโอเปรา่า Take my hand I'm s t r a n g e in paradise I'm lost in the wonderland A stranger in paradise Stanley k e i t c h e r u b u รวมทั้งเบนด้วย โดยไม่ได้นัดกันไว้เลยทุกคนพากันหัวเราะออกมาอย่างคลึครื้นขบขันที่สุดในคำพูดท่าทีและข้อความบทเพลงของคริสตินาตลอดจนสีหน้าอาการของระพินซึ่งไม่รู้จะวางหน้าอย่างไรในความหมายของเพลงที่ไพเราะแต่ประชดกึ่งยาวของหล่อนก็คือจับมือฉันไว้สิ ฉันเป็นคนแปลกหน้าในสวงสวรรค์แห่งนี้คนแปลกหน้าที่กำลังหลงทางอยู่ในดินแดนประหลาดอันหน้าตื่นตาตื่นใจที่สุดจอมพรานยิ้มกร่อยๆจับมือหล่อนโดยดีแล้วบีบกระชับแน่นบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกคริสถ้าคุณมากับผมแล้วก็ไม่ว่าสวงสวรรค์หรือนรกที่ไหน จะไม่มีวันนําคุณหลงหรอกเสียดายอยู่นิดนึงก็ตรงที่ว่าสะของผมแห่งนี้ไม่ยักก็มีหงขาวหงดำลอยเล่นเหมือนอย่างที่เคยบอกไว้อาจจะนําขึ้นผิดองศาไปหน่อยแล้วกระมังแล้วเขาก็ปล่อยมือหล่อนออกหันไปทางทุกคนครับเราจะหาที่พักกันบริเวณแถวนี้แหละครับดีเหมือนกันครับ ในเวลากลางคืนตะวันตกดินไปแล้วเราจะไม่หนาวเย็นกันนักจะอบอุ่นดีด้วยซ้ำนี่ไม่จะรู้สึกทึ่งแปลกใจต่อสภาพบ่อคโคลนเดือดตําแหน่งนั้นแต่ทุกคนก็ไม่พิจสมัยที่จะยืนอยู่ใกล้ๆเพื่อชมมันมากนะไอขาวคุ่นที่ระเหยเป็นหมอกควันขึ้นมามีกลิ่นกรรมฐานผสมอยู่ด้วยสัมผัสคาณปราสาทชัดเจน ระพินโ บ, บกมือให้ทั้งหมดถอยห่างออกมาแล้วเขาก็เลือกได้ชัยภูมิเหมาะแห่งหนึง่งห่างจากปากบ่อคลอนเหนือยอดเขาตรงนั้นออกมาราวห้าหกสิบเมตรในเวงชะง่อนบางของซอกหินลักษณะเหมือนกาบหอยยักษ์ที่อ้ายอยู่สั่งให้ลูกหาโปรงของทันทีพิจารณาดูเงาแดดกะว่ามันควรจะอยู่ในราวบ่ายสามโมงเอาละครับ ใครหิวกินใครง่วงนอนวันนี้ขึ้นมาได้แค่นี้ก็เก่งพอพอพอควรอยู่แล้วลครับหลายคนแม้กระทั่งพวกลูกหาบของเขาเองลุงนอนแผ่ร่ายอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงมันเป็นการปีนเขาที่สะบักสะบอมจริงๆแม้เวลาแห่งการเดินทางล่วงมาไปได้แค่สามในสี่ส่วนของวันเท่านั้น แต่ทุกคนก็หมดแรงแล้วสาหรับวันนี้ยังโชคดีอยู่บ้างที่ได้น้ําเคมีอันเป็นเม็ดสําเร็จรูปจากฝ่ายนายจ้างอเมริกันเป็นเครื่องปะทับประทางความกระหายน้ําไว้มิฉะนั้นยังทํานายเหตุการณ์ไม่ถูกว่าทั้งหมดจะทนต่อสภาพขาดน้ําไปได้แค่ไหนโดยเฉพาะพวกนายจ้างเองระหว่างกินอาหารรองทองประทางตายกันจากเครื่องเวอรชัน แล้มองสำรวจภูมิประเทศไปรอบๆสแตลีก็กล่าวกับเขาขึ้นเบาๆระพินความจริงภูมิประเทศบนนี้มันก็สวยแปลกตาไปอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะเป็นยอดเขาที่อุดมไปได้วยป่าหินที่สวยงามที่สุดเหนือกว่าทุกแห่งที่เราพบกันมาแล้วแต่มันเสียอย่างเดียวอะมันเหมือนอยู่บนยอดเขาเต่านรกขนาดมหายักษ์เท่านั้นแหละ เสียงนายคิดโพร่งแทรกขึ้นมาแล้วชี้ไปทางบ่อคโครนประหลาดถามว่านี่ไอ้บ่อคโครนเดือดปุดๆอยู่นั่ น, ค, น, น, นคุณว่ามันเป็นอะไรคุณว่ามันเป็นอะไรพรานใหญ่ตอบโดยไม่มองหน้าใครนอกจากก้มลงง้วนอยู่เฉพาะเนื้อกระป๋องในมือเขาก็อาจจะเป็นบ่อน้ำหรือสถานีเติมเชื้อเพลิงของพวกมนุษย์ต่างดาว เวลาผ่านลงมาเยี่ยมในโลกพระเคราะห์ใบนี้ของมนุษย์ลมะมั้งผมก็ไม่ใช่นักธรณีวิทยาซะด้วยที่แต่คุณก็เคยผ่านสิ่งแปล ก, ปลกในดินแดนหลงสํารวจนี่มาก่อนแล้วอาจจะเคยพบมาก่อนบ้างละมั้งเบนสืิมมาทันทีรพินยักไหลสิ่งที่ผมพบเห็นในดินแดนบริเวณที่เราควรจะระวังไว้ด้วยสีดํามืดนี่ มันมีอยู่หลายสิ่งหลายอย่างครับและหลายพฤติการจนสุดที่จะจดจำหรือวิเคราะห์ได้ว่ามันคืออะไรเพราะวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์ก็ไม่ไม่ออกในครั้งนั้นเราจึงเพียงแต่พยายามหลีกเลี่ยงหรือผ่านมันไปซะให้พ้นๆมุ่งอยู่เฉพาะจุดหมายปลายทางของเราอย่างเดียวไม่อยากจะจำไม่อยากจะเก็บเอามาไว้ในความนึกคิดเพราะมันทาให้ประสาทปั่นป่วนไปหมดดีไม่ดีก็บ้าตาย ในการเดินทางครั้งนี้ผมจึงอยากจะขอร้องพวกเราให้ปฏิบัติให้ประพฤติปฏิบัติอย่างผมและพวกนายจ้างเก่าของผมเคยทำกันมาแล้วเราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเปลาะเปลาะไปคานึงถึงความปลอดภัยของเราไว้ก่อนเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นก็อย่าเพิ่งเก็บมาใส่ใจให้มันรคกสมองเลยฉันถามว่า คุณนะ่ะเคยเห็นบอ่อโคลนเดือดบนยอดเขาแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าแม่ผมแดงคาดคันเฉพาะจุดระพินใช้ซ่อมจิ้มเนื้อเข้าปากเคี้ยวหน้าตาเฉยนี่คุณอย่าว่าแต่บอ่อโคลนเดือดเลยไอ้ลาว่าหรือหินหลอมละลายกำลังสุกปลังเดือดอุพลักพลับเราก็เคยเห็นกันมาแล้วภายใต้ภูเขาบางลูก เปลวไฟที่ปราศจากความร้อนหรือที่เรียกว่าไฟเย็นอย่างพระนางสองพันปีในนิยายอาหรับเราก็เห็นซากมหาอาณาจักรเก่าแก่โบราณที่คำนวณอายุไม่ได้ว่ามันเป็นยุคใดสมัยใดแล้วก็สัตว์ในสมัย prehistoricanimal ประเภทไดโนเสรัสสารพัดอย่างที่นำไปบอกเล่าใครไม่ได้ก็อยู่ในเส้นทางนี้แหละ เส้นทางที่เรากำลังจะมุ่งหน้าไปซึ่งผมสาบานไว้แล้วว่าจะไม่หวนกลับมาพบกับมันอีกอันเปรียบเสมือนภาพฝันร้ายนะั้นแต่พวกคุณก็อุตสาห์ฉุดกระชากลากถูกผมมาจนได้คำพูดของเขาเรียบเรียบเนื่ยเนื่ยก็จริงแต่ทำให้ฝ่ายนายจ้างทุกคนนิ่งงันไปทันทีถ้าเป็นสมัยก่อนเขคงจะถงปากในคาพูดของเขาอย่างเยียดหยันแต่มาบัดนี้ ไม่มีใครเห็นเป็นแง่ขบขันเหลีวไหลอีกแล้วนอกจากนั่งคิดกันในลักษณะต่างๆไม่มีใครอ่านใจกันถูกเสียงทานนําทางกล่าว เ, เนิบเนิบต่อไปว่าผมไม่รับรองนะว่าพวกคุณจะได้พบเห็นอย่างที่ผมเคยพบมาแล้วหรือไม่แต่ก็ภาวนาว่าอย่าให้ได้พบกับความน่าสยดสยองอย่างที่ผมผ่านมาแล้วเลย เปิดคอยสังเกตดูเครื่องรับวิทยุเครื่องใหญ่ที่จะติดต่อกับสถานีลอยของพวกคุณไว้ถ้ามันยังใช้การได้อยู่ก็ปรากฏว่าไอ้ก็แปลว่าเรายังอยู่ในโลกแห่งภูมิศาสตร์นี่แต่ถ้ามันมีอันเป็นใช้การไม่ได้เมื่อไหร่ก็หมายถึงว่าเราล่วงเข้าสู่ดินแดนสุนธยาโลกหลงสำรวจแน่นอนแล้วและชีวิตของเราทุกคน ก็กาลังอยู่ในความฝันที่ไม่โสภานะสิ่งที่ผมจะขอแนะนำพวกคุณต่อไปก็คือต่อไปนี้พวกคุณเริ่มสวดภาวนาขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าได้แล้วถ้าคุณยังนับถือพระเจ้าอยู่บ้างขอให้ท่านเปิดทางสะดวกและปกปักพิทักภัยให้แก่พวกเราทุกคนจากสรรพอันตรายที่จะมาถึงทั้งในรูปแบบที่มองเห็นและมองไม่เห็น ก่าวจบเขาก็เงยขึ้นยิ้มให้กับทุกคนทำให้ใบหน้านั้นดูอ่อนโยนไปกว่าสภาพที่เห็นกันอยู่ปกติ